อ่างทากันนะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติให้ได้ยินแล้วออกไปทําที่พูดบอกให้ไปทา บ อ, อกว่าให้มีสติก็ให้มีสติสติเป็ น, นกายประจำก็ให้มีสติเป็ น, นกายเป็นประจำโดยวิชากรัญฐานกายใจพูดตุ้นดุ้นเหมือนกำปั้นทุบดิน แต่พูดได้ถูกต้องก็คือว่าลูกนามให้มีสติไปในลูกมีสติไปในนามนามก็คือความรู้เฉกคิดนึกรู้จักอะไรได้ตัวการใหญ่ให้มีสตินามนี่เรียนรู้จัก ความรู้จกตัวคือติรูปก็ให้เรียนรูปจากสติสติคือความรู้จึกระลึกได้อยู่ในรูปนั่นเองอยู่ในนามนั่นเองว่าอยู่ที่อื่นถ้าไปมีสติดูรูปดูนาม รูปก็ไม่รู้อะไรน้มไม่รู้อะไรในรูปนีนก้มีทวานยังความหลงสุดตาอหูจะบอกด้วยกายรูปมีรถมีปินมีเชียงทําให้รูปให้นามไม่มันหลง ลองหลงเรื่องเก่าก็หลงแล้วหลงอีกร้อยข้างผันหนเหมือ น, นแสนดังสงขรก็มีหลงอยู่เช่นนั้นมีโกรธมีโลภมีทุกข์มีล ก, ม, ลกมีชงังดีใจเสียใจก็เป็นอยู่เช่นนั้นแสดงว่าลูกไม่ถูกสอนหนอมไม่ถูกสอนไม่ถูกสั่งสอนไม่ฝึกหัดก็ใช่ไม่ได้ความดี ที่มีอยู่ในรูปมีเยอะแยะความดีมีอย enfin ู่ในน้ำมีเยอะแยะในความหลงในรูปความมีความไม่หลงในรูปในความหลงอยู่ในน้ำก็ไม่มีความไม่หลงอยู่ในนามมีความไม่หลงอยู่ในด่าเมื่อนามเมื่อรูปมีความไม่หลงมีความถูกต้องแล้วก่อนความโกรธความทุกข์ความโลภ ก็จะไม่มีว่าแต่ตัวการตัวใหญ่ตั้งต้นตัวใหญ่ที่จุดคือภาวะที่หลงเปลี่ยนให้ไม่หลงซะให้สอนรูปอย่างนี้ให้สอนน้ำอย่างนี้ถ้าไม่สอนมันก็ไปลักใช่สิ่งที่ หลงสิงที่โลกที่โกรธที่ทุกข์ที่รักทีก่ยั่งก็ไม่เป็นธรรมต่อรูปไม่เป็นธรรมต่อนาำรูป ก, ก็ทุกข์เองน้ำก็ทุกข์เองไม่รู้จักช่วยเหลือเมื่อความไปเป็นธรรมเกิดขึ้นต่อรูปตนนาำแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นอีกมากมายเป็นทุกข์เป็นโทษ ถ้าเราฝึกเราสอนให้ลูกนี่นามนีน่เรียนรู้จากภาวะที่รู้ก็อเป็คนความเป็นทําเมื่อมปนความเป็นธรรมต่อรูปต่อนามนี่ก็อเป็คนความเป็นทําต่อจังอื่นวัตถุอื่นมากกว่าจากรูปจากนามนี้ถึงที่สุดจนถึงเป็นมากฝันฝันเหนือการเกิดเจ็เจ็บตาย ลูกนี่นามนี่เลี้ยนจากสภาวะที่ลูกก็เหนือความแฉะความเจ็บคนตายได้หรือว่าจบกหว่าเลี้ยนจบถึงคือ่มหมายปลายทางเพราะเราเห็นตามความเท็จความจริงรู้จักเลือกในความหลงความมีความไม่หลง ถ้าเราหงัดในความทุก์ก็มีความไม่ทุกข์ในความโกรก็มีความไม่โกรธในความโลภก็มีความไม่โลภในความรู้สากตัวถูกต้องกว่าความหลวงความโุ่นความโลภความทุกข์ในความไม่เที่ยงก็ไม่ทุกข์ในความเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ แต่ความเก็บความแก่ความตายก็ไม่ทุกข์เพราะมันมีสิ่งที่ทําให้เป็นทุกข์เพราะว่าที่รู้เพราะว่าที่รู้นอกงามขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคผลผลเปัญญาณเป็นฌานเป็นวิปัสสนารู้แจ้งเหยื่อจริงไม่มืด เมื่อลูกแจ้งตอบได้อะไรคืออะไรลูปนี่นามนี้มันพัฒนาได้จากสามัญชนเป็นอาญะบุคคลได้เป็นพระได้เป็นเุรเป็นกุศลได้เกิดขึ้นที่รูปที่นามนี้ ยังจะมีประโยชน์ที่เรามีรูปมีนามมีการมีใจนี่ถ้าเราไม่ฝึกก็เป็นของทุกข์ถูกความทุกข์จากเราแล้วถูกความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเราก็เป็นทุกข์ความทุกข์ก็เป็นทุกข์ควไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ ความไปใช่ตัวต น, นก็เป็นทุกข์ค <c oughs> <c oughs> วามท้าทายของล้กของชอบใจก็เป็นทุกข์ปัจฉะจิตใดได้จิตดันดั น, ดนก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายก็ไม่สบายใจก็เป็นทุกข์เอาความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์ตรนท่อนี้มันไม่ถูกต้องอย่างมอใช่ ให้มันไม่ทุกข์ก็ทําไม่เป็นบาที่เอาความไม่เที่ยงทั้งที่มันเปิดความไม่เที่ยงเอามาเป็นทุกข์จะให้เห็นเที่ยงได้อย่างไงความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเราย่อยเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนั่นตัวตู่อบอยู่เช่นนั้นพอมาเชื่อยตัวตนก็มาเป็นทุกข์ทั้งที่มันไม่ช่วยตน ในรูปนี้ไม่มเคยเป็นใหญ่ไม่มใครเป็นเจ้าของไม่มใครป้องกันได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดกอกปลายเกิดกันแล้วจะจะตายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปไมีแล้วหายไปรูปนี้เอาไม่อยู่แล้วการเวลาลืินกินรูปไปเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นใหญ่รูปนี้ มันไหลไปสมรรตะติไหลไปอยู่เรื่อยและคอยที่จะเป็นทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับลูกก็เป็นทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับน้ำก็เป็นทุกข์ไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักความเท็จความจริงยึงยอมจำนน เป็นธาตเป็นขี้ข่าขนาดความหลงเฉยเฉยก็มาได้ขี่ช่างขี่บ้ม า, มามีจัตราอาวุธมาบังคับเกิดขึ้นที่นามแปลงความคิดเป็นทวารของนามความคิดเป็นทวารของนามคิดขึ้นชึงได้ก็เป็นไปตามเปลือกชิดนามพิ่งหยดเดียวไปกล เปียความคิดก็ทำให้เกิดโกรธโลภหลงจินมาได้นอนมาได้ทำความชั่วแสดงออกไปทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจหมดเปลี่ยนแต่ความคิดเฉยๆความดีมีอยู่เยอะในตัวเราก็มีอยู่ทีเยอะทำมาก็มีบ้างแต่พอคิดขึ้นค้าวเดียวก็หมดไปแล้วเหมือนบ้านดีๆสร้างมาดันนาน วอาจุดไฟเผาทีเดียวก็หมดไปแล้วโดยทำบนน้ำปูชนม า, มากที่เหม็นทางความดีแต่ว่ามีความหลงเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นก็หมดไปแล้วทำตามความหลงทำตามความโกรธควมดีเลยหมดไป เราจึงน่ากลัว ม, มากความหลงเนี่ยเกิดขึ้นที่ลูปที่นามนี่น่าตกใจขนหัวลุกถ้าเรามีสติสภาวะที่รูปนี่ได้เห็นเห็นความคิดที่มันไม่ตั้งใจมันคิดขึ้นมานี่มันจะตั้งใจสักหน่อยมันคิดขึ้นมานี่เป็นเรื่องที่ ตอขาดบาดตายที่จุดต้นต่อของมันที่จุดพ อ, อดีกับความรู้จิตตัวคู่กับความหลงโดยใช่ถ้าเราฝึกวัยจะได้ใช่ถ้ต อ, ตอบทักท่วงตรวจจบโดยเห็นความไม่ถูกต้องเปลี่ยนมาความถูกต้องไปเรื่อยๆเปลี่ยนแล้วเปลีนน่ยนเล่าเปลี่ยนแล้วเปลีนน่ยนเล่าความรู้มีอยู่ในความไม่รู้ ได้ความรู้จากความไม่รู้งอกงามอยู่ในความไม่รู้ความรู้งอกงามอยู่ความไม่ดีทุกอย่างที่ัเกิดในรูปในนามนี่ความรู้จึกตัวเนี่เพราะมันเป็นปเกณฑ์ชี้วัดไม่ต้องถามใครเป็นปัจจดตังของผู้รู้ถ้าไม่มีความรู้ มัวแต่ไปถามก็เดินอยู่บาปคือไหลบุญคือไหลสวรรค์คือไหลนิพพานคือไหลแม่คนเดินตอบให้ก็ทําไม่เป็นถ้าไม่ทําบุญคือรูปบาบคือไม่รูปแล้วตอบอย่างนี้บุญคือรูปรูปทุกไม่ให้ทุก ม่ให้รูปเกิดขึ้นเราเหมือนเราเห็นงูเห็นงูจริงๆไม่ถูกต้องจริงๆงูมีพิษจริงๆความรู้จากตัวเป็นโนตตาภายในเราเห็นความหลงจริงๆมันไม่ใช่ความรู้จริงๆไม่ถูกต้องจริงๆความหลงในงานและรูปแบบไหนก็ไม่ถูกต้องว่าทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจไม่ถูกต้องตรงนั้น สมรู้สึกตัวเป็นทวานตัวใหญ่เป็นนอเชีตัวใหญ่นนหญรอบๆ อ, อยู่นี่ดูอยู่นี่ก็ได้โต๊ะตบทักช่วงเปลี่ยนร้ายเป็นดีมันเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดมันก็ไม่มีลากหึงโง่ที่ไหนท่า ได้มีความดูชจิตตัวเห็นความหลงเสียแล้วนี่หมดท่าก็ว่าได้ต้นตอของอกุศลธรรมเกิดจากความหลงเมื่อมีความหลงก็มีความโปวดความโลภเมื่อไม่มีความหลงก็มีควมไม่โปวดไม่โลภไม่ทุกข์ไปเรื่อยๆลากมันอยู่นี่ลากงเง้าของอกุศลตัวการใหญ่คือตัวหลง พอดีกับความรู้จึกตัวความรู้จึกตัวไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองประกอบขึ้นมาหัดประกอบขึ้นมาให้บีมีสติยรมีความรู้จึกตัวไปในกายอยู่แล้วมีความรู้จึกตัวไปในใจอยู่แล้วด้วยมีความรู้จักตัวไปในรูปอยู่แล้วโป้อยู่แล้ว มีความรู้จักตัวไปน้ำอยู่แล้วเผ้ออยู่แล้วเป็นเจ้าของอยู่แล้วอาการถูกะมันจรมามีอำนาจไม่รับเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นเรื่องนี้ตามความนจริงว่าหนึ่งไม่ต้อนรับอาการถูกะที่เหมืนอนจรบังถ้ามีสติเป็นเจ้าของ รูปจจเจ้าโขมน้ําเสร็จแล้วบอกวันคืนไปไมาให้ข้ามันไม่ให้ที่อาศัยจะให้ความไม่ดีมันอาศัยรูปใสน้ํานี่ไม่ได้เด็ดขาดถ้าเรามีความรู้จักตัวนิดหน่อยก็ไม่เอาวันถูกต้องที่สุดทำตรงนี้ที่สุดไม่ปล่อยทิ้งไม่ปล่อยพรม ผหดนี้เกิดขึ้นที่รูปที่น้ําจริงๆเป็นแบบใดอย่างไรก็ไม่ไม่เกิดขึ้นในความไม่ถูกต้องถ้าเราฝึกท่านมีความรู้จักตัวมีความรู้จักตัวเป็นเจ้าของรูปเจ้าของน้ําแล้วแต่ถ้าไปมีความรู้จักตัวเอาทุกอย่างเถื่อนเป็นรูปที่เถื่อนเป็นน้ําที่เถื่อนปผลเปกันหลายอย่าง ดีกว่าคนโอนไปกันคุ้มไรยคุ้มดีภูภูแอบแอบางคืนเป็นขวานกับวันเปินเตลูก็คินบดีก็สูกความชั่วทำทุท่งอยางคิดชั่วถ้าหวานข้าความชั่วได้รูปทุกรืปอแบบสำเร็จได้ด้วยทั้งกระทําทั้งกายทั้งวาจาทาั้งจิตใจคิดก็เป็นับ ทํายม บ, บัติั้งลมดได้ความคิดเราจึงเมื่อมีความรู้จักตัวเนี่ยฝึกว้ถ้าไม่มีจไมไั่ได้ใช่ถ้ามีก็ยัดใช่เป็นอิสร์เป็นดวงตาภ า, ายในจำเป็นทุกชีวิตเรามีรูปมีน้ำหนึ่งเ้็นสมบัติของรูปของน้ำคือความรู้จักตัว เรียว่านุษสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอหลงเป็นหลงไปชั่วบายทุกข์เป็นทุกข์ไปชั่วบายถ้าโกรธเป็นโกรธไชั่วบา ย, าวบายความเฉื่ก็ไม่จะเจริอทุกข์เป็นรูปหลงเป็นรูปไปสู่สุขสุขกติก ด, ดีกว่า ถูกต้องกว่าหัด ส, สัมผัสประกอบขึ้นมาฝึกตนสอนตนบางดีเราก็ใช้รูปเชียนนามมาผิดพลาดมานานให้อาคารทุกะมาเป็นเจ้าของนานแล้วต่อเห็นรูปคนหลงเข้าไปต้อนรับลูก หมูเด่นเสียงก็หลงไปต้นรอบเสียงจมูกได้กลิ่นก็หลงไปตน้นรอบกลิ่นตาเห็นลูกก็หลงไปต้นรอบลูกปีจอยคิดก็หลงไปต้นรอบอารมณ์ตายเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยเป็นเมื่อต้อนรอบว่ามีความชอบในความไม่ชอบแสดงว่าถ้าตาเห็นลูก พอใจไม่พอใจหรือว่าหลงแล้วหมูได้ยินพอใจไม่พอใจมาสู่ที่น้ำแต่หมูได้กินเล่นในรถมาสู่ที่น้ําที่ใจญ่แต่ความเป็นกรรมเป็นความพอใจไม่พอใจก็ว่ายออ่อหม้อข้าขาอยู่ที่รูปที่น้ําที่ขายที่ใจความไม่ดี จุมมมาติดตเป็นอุปทานแนงขัน่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับเกิดดับในภพในชาติต่างๆอาการเกิดดับที่มันเกิดขึ้นระหวา่างตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเกีวบวกได้กลิ่นนี่แหละลดการสัมผัสจิตใจคิดนึกเป็นพพเป็นชาติ เมื่อมีพวาติอย่างนี้แน่นอนก็ต้องมีความแก่ความเจ็บ ค, ความตายทุกข์เราตาเห็นรูปรู้จักตัวพูวามกำเนิดเจอแล้วหูดีนเสียงรู้จักตัวจมูกได้กลิ่นรู้จักตัวดิ้นไในรถรู้จักตัวกาสัมผัสรู้วยตัวจิตใจเจ็ดดึกรู้จักตัวถต่ว่วาความกำเนิดของคุพชาติไม่มีอุปทานในขันมีแต่ขันดลล้วนตามธรรมวันดา ไม่มีตัวไม่ต้นอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่รู้ตัวตนเกิดจากรูปนี่ก็มีมากอาการต่างเกิดกับรูปก็มีมากมาไม่ท่วนเป็นเปเป็นสนในโลกเป็นในฌานเป็นสิโลกามีแลหวางกายนี่เวทนา ก็เหมือนกันห้อยโลดหลอยชาติจิตก็เหมือนกันหลอยภบหลอยชาติเกิดจากจิตทำก็เหมือนกันหลายภพหลายชาติเกิดจากธรรมความเสื่อมไปก็มีความตั้งอยู่ก็มีรวามเกิดขึ้นก็มีเป็นภพเป็นชาติ ชีดานดี่ถ้าเราไม่รู้จากตัวหน้ากลัวที่สุดนั้นถ้าเราได้มีสติเราดูได้เห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนได้ดูลูปตันกล้องส่องอาวานาคลิบี่มีมากเหลือเกินแปดหมื่นสี่พันอย่างเกิดขึ้นใรูปที่น้นํานี่ให้ศึกษาลองดู จะได้บทเรียนได้ประจบการณ์จากรูปเจากนามมากมายถ้าเราไม่มีสติจะไม่ได้บทเรียนเลยจะมีแต่ย่อมคำหมาเนเจ้าอารมณ์เนจะลิดนิดใจใสสาคาจะเล็ดฟงแฉงเจงมองอะไรเป็นเฉลต์ต้นถ้าเห็ น, ห, นหัวเห็นไขยก็อยากกินจับกินตายจนเกิดลักเกิดขโมยขึ้นมา เนผู้เห็นคนเกิดความพอใจไม่พอใจทำ่ทวมพอใจทําความไม่พอใจเดือดร้อนกันอไม่ปลอดภัยในชีวิตชับสินจึงน่ากลัวชีวิตของรูปของน้ำํำท่อใบฝึกหนักตัวรูกก็เพิ่งรูปไม่ได้ตัวน้ําเพิ่งน้ํามาได้มีน้ําก็ไม่มั่นจใจ ไม่อาศัยอาศัยไม่ได้อาศัยใจตัวเองก็ไม่ได้ก็ไม่้ก็ไมดีแล้วคนอื่นจะไปอาศัยได้ยังไงจริงที่อาศัยเราอยู่ก็มีเยอะแยๆตัวเราก็ยังไม่มั่นใจในตัวเราเพราะแนวแต่มันจะคิดไหลขึ้นมาคิดเกลียดก็ไม่รับผิดชอบหลย ให้ความคิดสั่งงานสั่งการให้เกิดการกระทําตามความคิดบางทีก็ไม่ถูกต้องเสมอไปบางทีก็ทําตามความรักจนเสียผู้เสียคนบางทีก็ทําตามความโกรธความเบียดจนเสียผู้เสียคนเสียเรียบความโกรธมาเท่าไหร่เสียเบียดความทุกข์มาเท่าไหร่ไม่รู้จักเข็ดหลอดยิ่งเป็นนิสัย เจ้าโทสะจัลิตเจ้าโมหะจัลิตเจ้าลาคะจัลิตแสดงออกเป็นเจ้าของโลกเจ้าของนามรับใช่จริงเหล่านั่นเงินมีท้องก็วบบเราใช่จริงเหล่านั่นสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการใช้ชีวิตมีมากถ้าเราไม่ความรู้สึกตัวจะรู้จับ ทุกเง่ทุกมุม่นรูปในนามนี่ฉลาดอยู่ที่นี่เียว่าปัญญาปัญญาคือรอบรูปในกองสังขารคือกายกับใจนี่คือรูปเป็นนามนี่เทียบปัญญาพุทธะปัญญาหลุดพน้นปัญญาวิมุตต์หลุดพน้นจากความแต่ความเจ็บความตาย แล้วก็พร้อมแล้วมีลูกมีน้ำมีมือห้านิ้วเจ็บนิ้วเคยเดินมาฟรีเท่าไหร่เคยเคลื่อนไหวฟฟีเท่าไหร่เคยคิดฟฟีเท่าไหร่เคยรู้สึกตัวไหมเราก็ใช้ชีวิตฟรีไม่ได้ประโยชน์จากรูปจากน้ำบบ น, นี้มาหัดดูซิยกมือขึ้นรู้สึกตัวเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัว รอยด์ ย, ยกมือเพราะยังหลุดไปที่อื่นถ้าไม่ฝึกก็กลับมานั่นแหละได้ฝึกแล้วพอรู้จักตัวอยู่ดีคิดไปล่นกลับมารู้จักตัวนั่นแหละฝึกตนสอนตนทํำจากนี้ไมาเช่ไปคิดนะครับตอบจากความคิดฝึกใหม่ๆอย่าหาคำตอบจากความคิดอย่าหาคำตอบจากคําถามคนอื่นบางทีเราคิดจากจะถามคนอื่น ฝึกกรรมาถามเข้าไปความคิดจะถามก็ม้าไปต้องถามแล้วมันจะตอบไปเองจะเลือยไปเองว่าจะมีจิตอย่าให้ความคิดพปหาคําตอบจากคนอื่นตัวเองต้องตอบไปเองเป็นปัจจัดตั้งจริงถูกต้องคนอื่นตอบให้ไปถูกต้องเึ่งความหลงไม่ถูกต้องตอบได้ที่สุดความไม่หลงถูกต้องที่สุด นี่คือคำตอบที่เป็นสัจธรรมความทุกไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้องที่สุดที่ของคำตอบเป็นปัจจตังของผู้ปฏิบัติความหลงไม่ถูกต้องความไม่ถูกต้องมันมีความถูกต้องมันมีในความไม่ถูกต้องมันเหมือนหน้ามือหลังมืออยู่ในกายในใจอยู่ในรูปในนามนี่ความถูกต้องความไม่ถูกต้องว่าแต่ไม่รูปว่าแต่ไม่จิติดู ถ้าไม่มชสติเนี่ยันก็ผิดพลาดบ้าตามๆก็ไม่ถูกต้องทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายต้องไม่ฝึกบางคนนั่งสอนก็นอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่รู้คิดดีไม่เป็นนี่ไดคิดไม่ดีน่าชศรูบอกก็ยิ้มก็ไม่ยิ้ม คมคิดกัดตอตัวเองกันน้าปวดน้าเศร้าน่อยเหงาคิดดีไม่เป็นความดีมีเยอะๆคิดไม่เป็นคิดถึงแต่ความไม่ดีมันก็ติดได้วิญญาณมันติดได้เรียกว่าวิญญาณมันติดก็ไปใช่แต่ไปตาเปล่าเพราะว่าติดไปไในความไม่ดี ก็ไม่ได้ใช่รูปเช่นนอม่เป็นเป็นความสำเร็บในความถูกต้องมไม่ฝึกก็เป็นทุกข์เป็นโทษตัวตนแ เ, เราก็พร้อมแล้วนี่นะขอให้ที่นี่เป็นสถานฝึกเป็นสนามฝึกไม่ต้องคิดเรื่องอยู่เรื่องจินมีคนอื่นคิดให้ที่หัวใจก็พอจะอยู่กันได้ เป็นมิเป็นเพื่อนกันจะช่วยกันเรื่องนี้จะบอกความเท็จความจริงเรื่องนี้เรื่องอื่นให้คนอื่นบอกให้คนอื่นสอนนะความจริงมาอยู่ในรูปในนามความไม่จริงอยู่ในรูปในนามนี่มีสติเข้าไปจะได้เห็นเองลูกเองเห็นปัิจจังของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องทําเองไม่มีใครช่วยได้ ตัวเราต้องช่วยตัวเราเองทวนกับเชื้อสักหน่อยถึกใหม่ๆยิ่งมันเปิดเพื่อนบ่นยิ่งได้เห็นมันก็ยิ่งดีสิอยา่าด้วว่าผมมีจิตเหตุปัหามานั่นแหละปฏิบัติลงไปเรีนอารมณ์มากต่อเขาจะริยนมากนั่นแหละปฏิบัติลงไป ให้เห็นได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นีตื่นมากกระโดดได้ไกล้หมือนกระโดดถ้ามันตื่นมันกระโดดได้ดีกว่าคนที่ไม่มีตื่นที่มันไม่เห็นมันมีอะไรไม่ไดีอยู่ในรูปในน้ํามานานว่ามีสิเป็นเห็นแล้วกระโดดได้ไกลข้ามไปได้หลายอย่างเหมือนเราตื่นงูที่แรกเราก็มันรู้จะ ก, กระโดดกันเลย พอไปตื่นงูใกล้ด่าแช่งโดดข้ามไปเลยมันมีกำลังอาจนถึงสุดยอดสมมติมขูดทำได้ไม่เป็นอะไรพ้นภัยตื่นทุกมันยิ่งกว่าตื่นอะไรทีพุทธูคือลู่คือตื่นตื่นจากความไม่ดี มีสติเป็นดวงตาภายใน ร, ร, รู้รอบโลกลื่อนอาวัส14จังหวะวิชากรรมฐานสัมปัญญาบัพพะสัมปชัญญะบัพพะพอใช้ทุกวินาทีกรรมฐานวิชากรรมฐานทุกๆุกวินาทีรู้สึกตัวได้ให้สติดัง น, นี้งานเรางานหลักคืองานเช่นนี้ ชีวิตเราหลักคเช่นนี้ทุกๆุกวินาทีหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีถ้าไม่มีที่ไหมมาใช่ที่นี่ภายในหนึ่งเดือนหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งปีหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีสิบเจ็ดปีนี่หมใช่ที่นี่ เออเ อ, อ, อยู่กันได้เรื่องนี้ถ้าเรื่องอื่นผิดแล้วพราจะมาสนใจเรื่องอื่นนะต้องมาสนใจเรื่องนี้กรรมาฐานเท่านั้นาลงานที่ทําพวกเราทำอันนี้ก็เป็นอาตีเลกเยอะแยะไปไม่ได้ทํามันเดียวเราขอมารู้แต่เรื่องเรื่องอื่นไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ไป ว่าพวกเราเป็นนักอดุรักษ์เป็นนักพัฒนาเป็นนักอะไรสังคมสงเคราะห์ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นงานหลักงานหลักเกิดจากงานนี้กรรมฐานนี้เมื่อชีวิตมีกรรมฐานศึกษากรรมฐานก็เป็นไปเองไม่มีคําสั่งอะไรจากคณะสงฆ์ความดีการงานทําไปเองการเผยแพร่พกบเป็นปเอง จะโนดต้องกลับมาจากปักกิ่งเนอสองวันทิ้งไปสอนกรรมาฐานที่ปักกิ่งเขาจะให้ไปทุกๆเดือนเนอะแต่ว่าในภาษาไม้ไปไม่ได้แล้วก็ไปกันวันนี้จะนุกก่งไปป่ากิงโมเลกชาวฝรั่็ไปญี่ปุ่นผู้พอจะมีจรีปัญญาไปได้เราหลงตาเนะะับเข้าวัดอย่างนี้เดนเพื่อนเป็นมิยู่ดี อะไรยังไม่ตายก็จะตายก็หละรีบๆเข้าจังหน่อยเดีย๋ยวกระห่งอะไรมากเกนตายความเป็นความตายนี่จริงๆนะแน่นอนความตายาก็เจ็บนี่ทำยังไงถ้าไม่ฝึกตนสอนตน อะไรที่มันเป็นการสอนในความแ จ, ตมมม จ, มจ็ต้องมีความไม่เจ็ในความเจ็บต้องไม่ความไม่เจ็บในความตายต้องไม่ความไม่ตาย น, นี่เป็นความสําเร็จของลูกของนามของการฝึกสติถ้าเราไม่ฝึกอทุกหรอกยังได้ิดอดทุกความทุกนี่เป็นโนไม่ใช่เราเกิดบังลับใช่มันนะ อยู่ที่ไหนความทุกข์เกิดอยู่ในรูปในนามมาให้รู้เถอะอันที่ว่าความทุกข์เนี่ยโอ้ยดีตอลับแล้วก็ปุดฉากันไัยในความทุกข์อะไรที่มันเกิดจากความทุกข์งอยู่ในรูปในนามเนี่ยผุดฉากับสติลงดูเลยนับรองว่าไม่ถูกต้องจริงๆสิอะไรก็ไม่ถูกต้องล่ะ ความถูกต้องยืนอยู่ในความถูกต้องสเสมอไปเมื่อเราฝึกเลยมันมีในรูปนี่นามนี่มีความถูกต้องได้ความถูกต้องเมื่อความถูกต้องเกิดขึ้นจากรูปจนานามแล้วก็เออสําเร็จละคุ้มค่าน้ํานมคุ้มค่าชีวิตที่ได้เกิดมามีคําสอนมีกายมีใจได้ทำเป็นใจชับใจนัง ชีวิตเราจงสอนตนเตือน ต, ตนมีสติอย่าไปใช้ชีวิตดเนินเกินสายพวกเราก็ให้โอกาสกันให้มากอย่าไปทำให้กันหลงสติวิธีได ท, ที่ทำให้กันลูกก็ยิ้มให้ใ น, หน้อยๆก็ดีแสดงออกก็ดีมีความเป็นมิตรมีความ อเคยเป็นที่พึ่งา่จยได้ยินดีช่วยเหลือทุกรูปแบบกว่าฝีกว่าไข้ต่อกันให้ได้ทำระยะนั้นนิดตอไปมักผลได้ถ้าเป็นศัตรูกันแตกล้าสมัครีกันทำอะไรไม่สำเร็จจึงเป็นสังฆะวามสมัครี ให้ม hmm. ั่นใจในการร้างสังฆะขึ้นมาในตัวเองและคนอื่นครอบครัวชุมชนใด้ที่ไหนที่นั่นไม่ได้คิดแบ่งแยกไม่ได้คิดอะไรคนลับแบบเห็นใจกันตรงที่เราเจอแล้วเจ็บเราตายเป็นเพื่อนเกิดเจเจ็บตายด้วยกันแท้ๆ อะไรที่มันจะทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจะเพื่อนเราช่วยบอกช่อยสอนเว็อเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเขาโกรธมาเราทําให้เขาไม่ไม่โกรธเอาทุกมาเราทำว่เาเป็นเพื่อนของคนทุกขเขาเป็นมิตรเป็นเพื่อนอคนมีทุกข์มีปัญหาเรื่องจะเรียกว่ากันและยามิตรกันจะยิ่งไปเนี่ยฮะ มีแต ง, งนอนเยวออไม่มีเสียงแล้วนะหมดหมดเสียงแค่นี้แล้วสงควรแก่ เ, เวลาต่อท่อไป